พระพุทธศาสนาที่พวกเราให้ความเข้ารับนับถือเชื่อฟังถ้าจะเปรียบก็เป็นเหมือนกับบริษัทขายประกันเป็นบริษัทที่ขายประกันภัยกับประกันชีวิตส่วนพวกเราที่เป็นพุทธบริษัท เป็นชาวพุทธก็ปเปรียบเป็นเหมือนลูกค้าผู้มาซื้อประกันจากบริษัทประกันนี้เราก็เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันสองแบบด้วยกันบางท่านก็ซื้อประกันภัยบางท่านก็ซื้อประกันชีวิตอันนี้ คือพระพุทธศาสนาของพวกเราสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาคือจะได้รับประกันภัยและรับประกันชีวิตภัยของพวกเราคืออะไรภัยของพวกเราก็คืออบายสี่อบายมีอยู่สี่ชั้นด้วยกัน ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าเดรัจฉานชั้นที่สองเปรตชั้นที่สามอสุรกายชั้นที่สี่นรกถ้าเราซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะรับประกันให้พวกเราไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็ น, นอสุรกายไม่ต้องไปนรกพอปพระพุทธศาสนารู้เหตุของการไปอบายว่าเกิดจากอะไรนั่นเองเหตุที่ทำให้พวกเราไปเกิดในอบายก็คือการกระทําบาปต่างๆ และการเสพอบายมุกถ้าพวกเราละการกระทำบาปละการเสพอบายมุกได้พวกเราเวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายมีอยู่สี่สี่ที่ด้วยกันไปด้วยการกระทำบาปที่ต่างกัน ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นเดลฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยการด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุลกายถ้าทำบาป ด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกนี่คือทำไมจึงมีอาบายอยู่สี่ชนิดด้วยกันก็เพราะเหตุของการทำบาปนี้มีอยู่สี่ชนิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรา ใจของพวกเราทุกคนนี้จะถูกครอบงำด้วยความโลภความโกรธความกลัวและความหลงนี่เองถ้าเราโลภเมื่อไรโกรธเมื่อไรหลงเมื่อไรหรือกลัวเมื่อไรเราก็อาจจะไปทาบาปได้นีจึงเป็น เหตุที่ทำให้มีอบายสี่ที่ด้วยกันพวกเดรัจฉานพวกนี้เขาทำบาลด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าการกระทำบาสนี้มีผลต่อการไปเกิดของเขาเขาทำเพราะเขาคิดว่าจาเป็นต้องทำเขาต้องยังชีพ ต้องเลี้ยงชีพด้วยการประทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเอามาเป็นอาหารอันนี้เขาทำไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่ทำบาปเขาจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานพวกเราที่เป็นมนุษย์นี้ โชคดีถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีาศาสนาพุทธเพราะาศาสนาพุทธนี้จะสอนให้เรารู้ว่าการกระทำบาปนั้นจะมีผลที่ไม่ดีต่อการเป็นเกิดของเราในอนาคตถ้าเราไม่มีใครบอกเราเราก็อาจจะ บาปเพราะเราคิดว่ามันเป็นความจําเป็นเป็นการเลี้ยงชีพมีคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำมาชีพด้วยการทําบาปลี้ยงชีพเช่นทำอาชีพค้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่า จะมีผลที่ไม่ดีตามมาผู้ที่ทำบาปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เริ่มเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้าทำด้วยความโลภ ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเตจถ้าทำด้วยความกลัวก็จะเปลี่ยนเป็นอสุรกายและถ้าทำด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกขึ้นมาเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายใจนี้จะเปลี่ยนไปตามสภาพของการกระทำบาปหรือการกระทาบุญ นี่คือเรื่องของภัยที่จะมาทําให้ใจของเราที่เป็นมนุษย์นี้กลายเป็นเป็นเดรัจฉานได้เป็นเปรตได้เป็นอสูรกายได้เป็นนรกได้แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการกระทําบาสนี้ จะส่งผลเสียหายต่อเราเป็นภัยอันตรายต่อจิตใจของพวกเรา mm hmm. เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเรามีความเชื่อ mm hmm. เราพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้เราละการกระทำบาปและการเสพอบายามุกต่างๆ mm hmm. เพราะ การเสพอบายามุขนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องไปทำบาปเพราะอบายามุขนี้มีแต่จะดูดซับไปไ ม, ไม่เป็นที่จะทำให้เราได้ซับมาการเสพอบายามุขนี้จะเสียรับไปเรื่อยๆแล้วเราจะ ไม่มีทรัพย์พอไม่มีทรัพย์เราก็จะต้องไปหาทรัพย์ด้วยวิธีทำบาปเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นเองเ mm hmm. พราะผู้ที่เสพใบอาาามุกนี้จะไม่มีอาชีพจะไม่ไปทำงานทำการ mm hmm. จะไม่มีรายได้จะไม่รู้จักหาทรัพย์โดยวิธีที่สุดจริตพอสูญเสียทรัพย์ไปหมด ก็ต้องไปหาทรัพย์ด้วยวิธีทำบาปนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสงสอนในดรอห้ามให้อย่าไปเสพอบายามุกอบายามุกนี้ก็แปลว่าประตูสู่อบายทางเข้าสู่อบายมุกแปลว่าประตูรือทวานอบายก็คือเนี่ยสถานที่สี่แห่งที่ใจจะไป ถ้าเราไปยืนใกล้ประตูไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเดินเข้าไปในอบายถ้าเราอยู่ห่างไกลาจากประตรูโอกาสที่เราจะเข้าอบายเข้าไปอบายก็จะเป็นไปไม่ได้นี่คือทำไมเราต้องไม่เสพอบายามุกอบายามุกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาป ถ้าเสพบาบายามุกแล้วแต่ไม่ได้ทําบาปก็ยังไม่ไม่ต้องไปอบายเช่นสมมุติเราเล่นการพนันจนกระทั่งไม่มีเงินทองอแต่เราก็จะไม่ไปขโมยเงินทองของผู้อื่นมาเล่นต่อเราหักห้ามจิตใจเมืม่อเงินทองหมดก็ไม่เล่นะไปหางานทํางานจะอะไรก็แล้วแต่ อาจจะเป็นงานที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำเพราะเป็นงานที่หาง่ายที่สุดเป็นคนรับใช้ไปทใช้แรงงานถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่ไปอบายเพราะยังไม่ได้ทํำบาปแต่ถ้าเล่นการพนันจนหมดเงินหมดทองแล้วแต่ยังอยากเล่นต่อเพราะอยากจะได้เงินทองที่สูญเสียไปคืนมา ก็อาจจะต้องไปยืมเงินของผู้อื่นยืมแล้วก็ไม่ได้ไปใช้เขาเพราะเดี๋ยวเอามาเล่นก็หมดอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบาปสองกระทงโกหกหลอกลวงแล้วก็ลักทรัพย์ของผู้อื่นเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาด้วยการหลอกลวงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์และเป็นการพูดปดโกหกหลอกลวง พอทำอย่างนี้แล้วก็จะต้องไปอบายนี่คือวิธีป้องกันไม่ให้เราไปทำบาป ก, กันก็คือเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขอบายมุขก็มีหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนัน สาการเที่ยวดูการลเล่นของลเล่นต่างๆดูมอาหารสบพบันเทิงสี่เที่ยวกลางคืนห้าคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรและหกความเกลียดคร้านนี่คือสิ่งที่จะเป็นภัยต่อชีวิตของพวกเราอย่าไปให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา อย่าเด่มซารายาเมาอย่าเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวดูมหะสบบันเทิงเป็นอาจินเป็นนิสัยอย่าเที่ยวกลางคืนเป็นนิสัยอย่าคบกับคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสัยนะอย่ามีความเกลียดคร้านเพราะความเกลียดคร้านก็เป็นตัวที่ไม่ทําให้เกิดรายได้ขึ้นมา เมื่อเราเกียรติ้านเราก็จะไม่ไปหางานทำเวลาเราต้องการเงินทองเราก็อาจจะต้องไปทำบาปพวกที่มีอาชีพ ท, ทำบาปกันพวกที่เป็นโจรเป็นขโมยโรืงนี้เรียกว่าเป็นพวกที่มีความเกียรติค้านเวลาเป็นเด็กก็เกียรติมีความเกียรติ้านในการไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปหาวิชาความรู้ เพื่อที่จะได้เอาความรู้นี้ไปท ร, รมาหากินเรียนหนังสือก็เรียนไม่จบชอบหนีโรงเรียนชอบเล่นชอบเที่ยวเรียนไม่จบก็เลยต้องไปทำอาชีพรักขโมยเพราะความเกียดคล้านบายมุกต่างๆนี้มีแต่จะดูด ทรัพย์ของเราไปไม่สร้างทรัพย์ให้เกิดขึ้น เ, เราเดื่มสุราก็เอาทรัพย์ต้องเสียทรัพย์ไปซื้อสุรามาดืม่มเสียเวลาที่เราจะเอาไปใช้กับการทำมาหากินถ้าเราเดื่มสุราเป็นนิสัยเป็นอาจินเราจะไม่มีเวลาไปทำมาหากินเราจะไม่มีรายได้จะมีแต่รายจ่าย ดื่มแล้วก็ติดะจะต้องดื่มอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ดื่มก็มีความหงุดหงิดนำคาญใจไม่สบายอกไม่สบายใจเลยต้องดื่มดื่มก็จะไม่มีเวลาไปทำมาหากินแล้วดื่มแล้วก็จะมึนเมาก็จะไม่สามารถไปทำมาหากินได้ เสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจถ้าดื่มสุรามากๆ ก, ก็เสี่ยงต่อร่างกายก็เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะมีอายุสั้นส่วนจิตใจก็จะไม่มีสติประคับประคองใจเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็จะหักห้าม ไม่ให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ก็จะไปพูดคำหยาบหรือไปทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นแล้วก็อาจจะมีการต่อสู้กันถึงอาจจะถึงเสียชีวิตไปก็ได้หรือถ้าขับรถก็เวลาขับด้วยการด้วยความมึนเมาจากการดื่มสรุราก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้นี่คือโทษของการดื่มสุราอบายามุกที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราอย่าไปดื่มกันเพราะจะมีแต่โทษไม่มีบุญไม่มีคุณแต่อย่างใดจะเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องไปทำบาปเมื่อทำบาปแล้วก็จะต้องไป เกิดในบายต่อไปถ้าไม่ดื่มสุราเราก็จะมีเวลาไปทำมาหากินมีสติสัมปะชัญญะสมบูรณ์ในการที่เราจะไปทำมาหากินด้วยความสุจริตได้ร่างกายก็จะมีสุขภาพดีแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานได้มีลายได้เข้ามา จำให้เราไม่ต้องไปทำบาปเพื่อหาอไรายได้นี่คือสุราส่วนการเล่นการพ น, นันก็เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปได้เช่นเดียวกันเพราะเวลาเล่นการพ น, นันถ้าได้ก็อยากจะเล่นต่อและเงินที่ได้มาจากการเล่นก็จะไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุรา่าย ใช้จ่ายอย่างไม่เลาไม่ไม่ระมัดระวังพอใช้จ่ายไปแล้วก็อาจจะหมดได้พอเล่นไปก็อาจจะเสียได้ไม่การเล่นการพนานนี้ไม่ใช่จะได้เพียง อ, อย่างเดียวเวลาได้ก็ใช้เงินกันอย่างสนุกสนานพอใช้ไปเดี๋ยวเล่นเสียเงินก็หมดเวลาหมดก็อยากจะเล่นต่อเพราะอยากจะได้เงินคืน เวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเพราะอยากจะได้มากๆเมื่อเล่นแล้วมันก็จะติดจะเลิกไม่ได้ก็ในที่สุดก็จะต้องหมดเงินหมดทองเมื่อหมดเงินหมดทองก็อาจจะต้องไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อยืมเงินยืมทองมาใช้ในการเล่นต่อแล้วนะถ้าเสียไปหมด ก็จะไม่สามารถใช้เงินเขาไปได้ก็เท่ากับการไปโกอกหลอกลวงไปการรักทรัพย์ของผู้อื <Yeah. S 1> แล้วถ้ายังเล่นต่อถ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็อาจจะเอาไปขายขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเมื่อขายหมดก็ขายบ้านขายที่ดินอีก หมดเนื้อหมดตัวเล่นการพนันถ้ายังอยากเล่นอีกก็อาจจะต้องไปทําบาปไปรักทรัพย์ไปขโมยนี่คือโทษของการเล่นการพนันจะทําให้เราหมดเนื้อหมดตัวจะทําให้เราจะต้องไปทําบาปเช่นเดียวกับการเที่ยวการเที่ยวก็ไม่ได้มีรายได้มีแต่รายจ่าย ถ้าเที่ยวอย่างเดียวไม่ไปทำงานทำการเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูมหสัสลศพดูการบันเทิงต่างๆก็จะมีแต่รายจ่ายต่อไปรายรับก็จะรายจ่ายก็จะมากกว่ารายรับรายรับก็จะไม่มีถ้าไปเที่ยวมากๆเมื่อหมดก็จะต้องไปทำบาพเพื่อหาทรัพย์มาเพาเมื่อเที่ยวแล้วก็ติดอาบายามุกนี้ เป็นเหมือนยาเสพติดเมื่อได้ทำเป็นนิสัยแล้วมันจะติดเป็นนิสัยจะต้องทำอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไปคบกับคนที่ชอบอบายามุขเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายามุขกันถ้าคบกับคนที่ชอบเดิมสุราเขาก็จะชวนเราไปเดิมสุรา ชอบคนเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชอบคนเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวชอบคนมีความเกียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดค้านไม่ชวนเราไปทำมาหากินไปทำงานทาการนี่คืออบายามุกที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องไปทำบา เมื่อทำบาปแล้วเราก็จะต้องไปอบายกันท่านถึงเรียกว่าอบายมุกทางเข้าสู่อบายอบายอบายแปลว่าที่ไปเกิดของผู้กระทำบาปสี่สถานที่มุกคือทางเข้าถ้าเราไม่เสพอบายไม่เสพอบายมุกเราก็จะอยู่ห่างไกลจากประตูเข้าอบาย โอกาสที่เราจะเข้าอวบายนี้ก็จะยากแต่ก็ยังไม่แน่ถึงแม้ไม่เสพอาบายามุขโอกาสที่จะทําบาปก็ยังเกิดขึ้นได้เพราะเรายังเกิดความรักเกิดความชังเกิดความกลัวเกิดความหลงได้เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรมาบีบบังคับใจใจก็อาจจะเกิดความรักชังกลัวหลง เราก็อาจจะไปทำบาปเพราะความรักชังกลัวหลงก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะป้องกันอบายอย่างเต็มที่นอกจากการไม่ทำบาปไม่เสพอบายมุกแล้วเราก็ต้องคอยควบคุมใจของเราให้สงบหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบจเจริญสติถ้าเรา มีสติควบคุมใจเวลานั่งสมาธิใจจะสงบได้ถ้าใจสงบใจจะเกิดมีโอเบขาขึ้นมาอุเบขานี้จะทําให้ความรักความชังความกลัวความหลงนี้หายไปใจที่มีอุเบขานี้จะไม่รักไม่ชัง <c oughs> ไม่กลัวไม่หลงอะไรใครถ้ามี ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วจะไม่ต้องไปทำบาปอย่างแน่นอนแต่ถ้ามีศีลก็ยังมีโอกาสพลาดได้ถ้าเกิดใจถูกความรักชังกลัวหลงมาบีบ ก, ก็อาจจะไปทำบาปได้อันนี้ยกตัวอย่างพระเทวทัตนี้ก็เป็นพระมาบวชมาหลายสิบปี ได้ฝึกสมาธิตาเป็นสมาธิที่ไม่ใช่อุเบกขาคือเป็นสมาธิที่ทําให้มีอภิน ญ, ญามีมีความสามารถพิเศษเหาะเหินเดินอากาศได้มีตาที่ผูทิพย์มีความสามารถพิเศษก็คิดว่าตนเองเก่งวิเศษจึงขอ เกิดความโลภขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความโลภอยากได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เลยไปขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเนื่องจากเห็นว่าพระพุทธเจ้านี้มีอายุมากแล้วไม่มีกําลังวังชาเหมือนกับตน ก็เลยขออนุญาตแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าใจของพระเทวทัตนี้ยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ปกครองได้ก็ไม่อนุญาตนพอไม่อนุญาตก็เกิดความโกรธพระพุทธเจ้าขึ้นมาพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันครั้งที่หนึ่งก็จ้างคนไปฆ่าก็ไม่สําเร็จ ครั้งที่สองก็ปล่อยช้างให้ออกมาเพื่อเหยียบพระพุทธเจ้าก็ไม่สำเร็จครั้งที่สามก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขารอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาแล้วก็เก้งก้อนหินก้อนให่แล้วก็เก้งก้อนหินก้อนใหญ่ลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้ทำได้เพียงแต่ทำให้พระบาท่ห่อเลือ่อนการกระทำบาป ของพระเทวทัตถึงแม้ว่ายังไม่ได้ฆ่าแต่การทําใหพ้พระบาทของพระพุทธเจ้าข่อเลือดนี้ก็ถือว่าเป็นบาปอันใหญ่โตเป็นอนันตฤกกรรมกรรมหนักที่มีอยู่หข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าพ่อสองการฆ่าแม่ 3. การฆ่าพระอรหันต์4 การทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าการทำให้สงแตกแยกอันนี้ถือว่าเป็นกรรมที่หนักที่สุดผู้ใดได้กระทำบาปทำกรรมอันนี้แล้วตายไปจะต้องไปตกนรกคุ้มลึกที่สุดนี่คือตัวอย่างของผู้ที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิที่ เป็นอุเบกขายังสามารถที่จะไปทาบาปได้แตใจของผู้ที่มีสมาธิที่มีอุเบกขานี้จะไม่คิดทำบาปเลยเพราะจะไม่มีตัวที่จะมากดดันให้ไปทำบาปคือความโลภความโกรธความกลัวหรือความหลงอันนี้คือถ้าไม่อยากจะไป อบายก็ต้องซื้อประกันภัยชนิดนี้เบีย้ยของประกันภัยที่เราต้องจ่ายก็คือเราต้องละการเสพอบายมุกละการดื่มสุรายาเมาละการเล่นการพนันละการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆละการเที่ยวกลางคืนละการคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตรละละความเกียดคารา ถ้าเราละอบายามุกได้โอกาสที่เราจะทำบาปก็ถูกลดลงไปมากแต่ก็อยากทาบาปได้ถ้าไม่อยากจะทำบาปก็ต้องถือศีลห้าเป็นปกติต้องรักษาศีลทุกวันต้องละศีลต้องถือศีลห้าละการกระทำบาปทุกวันศีลห้ามีอะไรก็คือหนึ่งละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สองละการลักทรัพย์สาละการประพฤติผิดประเวณีสละการพูดปดถ้าละการกระทำบาปเหล่านี้ได้รวมถึงละการดื่มสุรายาเมาการกระทำบาปนี้ก็แทบจะไม่มีเลยยกเว้นเวลาที่จิตถูกความโลภความโกรธความกลัวความหลงมาบีบเท่านั้น ซึ่งก็นานๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงมากระทบแต่ถ้าทาแต่ถ้าไม่อยากจะไปทำบาปเราก็ถ้าไม่อยากจะไปอบายถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องทำบาปบ้างก็ให้เราพยายามทำบุญให้มากๆนอกจากไม่ทำบาปแล้วก็พยายามทำบุญให้มากๆทำบุญใส่บาตรอย่างนี้ บริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้นั้นผู้นี้ให้แก่องค์กรนั้นองค์กรนี้พยายามทําบุญไว้เยอะๆเพราะบุญนี้จะสามารถช่วยเราให้ไม่ไปอบายได้ถ้าบุญมี ม, มากกว่าบาปที่เราทําเวลาเราตายบุญกับบาปนี้จะมาเป็นตัวดึงใจของเราไปถ้าเราทําบุญมากกว่าทําบาป บุญมีกําลังมากกว่าบาปเราก็จะยังไม่ต้องไปใช้บาปแต่บาปไม่ได้หมดจากการทำบุญบุญนี้ไม่สามารถไปล้างบาปได้เพียงแต่บุญนี้จะมาต้านกําลังของบาปไม่ให้ดึงใจเราไปอบายตอนที่เราตายได้ถ้าบุญของเรามีกําลังมากกว่าบาปดังนั้นนอกจากการไม่เสพอบายมุกแล้ว การรักษาศี่ห้าแล้วเราควรจะทำบุญเป็นนิสัยด้วยอัดทาบุญทุกวันทำให้มันติดเป็นนิสัยเพราะถ้าทำเป็นนิสัยแล้วมันจะมันจะทำอยู่เรื่อยๆถ้าทำตามอารมณ์นี่นานๆจะทำสักครั้งหนึ่งเอเช่นทำบุญตามความรู้สึกส่วนใหญ่เราจะทำบุญตอนไหนกันเช่นวันเกิด จะมีความรู้สึกอยากจะทําบุญวันขึ้นปีใหม่หรือวันเทศกาลของทางศาสนาวันมาฆะวันวิสาขะวันเข้าพรรษาก็จะมีธรรมเนียมที่จะทําให้เราเกิดความอยากจะทําบุญในวันเหล่านั้นแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็จะไม่มีความอยากจะทําบุญเะฉะนั้นเราต้องหาวิธีบังคับ ให้ใจของเราชอบทำบุญอยู่เรื่อยๆก็คือบังคับให้ทำบุญทุกวันถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านสมัยก่อนหมู่บ้านนี้จะมีวัดแล้วทุกวันจะมีพระไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านก็จะมีโอกาสได้ทำบุญทุกวันบุญของชาวบ้านก็ทำแบบง่ายๆคือมีอาหารทำอาหารไว้ก็แบ่งไว้ส่วนเองไว้ใส่บาตร เราต้องกินอาหารทุกวันอยู่แล้วเราก็ทํามากหน่อยทําเผื่อให้กับวัดให้กับพระไปส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนมากนะักยังไงอไรเราก็ต้องทําอาหารอยู่แล้วก็เพียงแต่ทําให้มันมากขึ้นไปหน่อยหุงข้าวให้มากขึ้นไปหน่อยก็ได้ทําบุญทุกวันแล้วแบ่งอาหารแบ่งข้าวที่เรารับประทานนี้ไว้สําหรับพระไว้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้รับประทานของเราเองอย่างนี้เราก็จะได้ทําบุญทุกวันเพราะเราต้องกินทุกวันเมื่อเราต้องกินทุกวันเราก็ต้องทําอาหารทุกวันเมื่อเราทําอาหารเราก็ทําเผื่อพระไปด้วยเราก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญทุกวันแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยู่แบบเป็นหมู่บ้านแล้วอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งบางทีก็ไม่มีพระมาบิณฑบาต ท, ที่บ้านเรางั้นเราก็อาจจะต้องไปหาที่มีพระเช่นบางแห่งเขาจะมีตลาดสดพระก็จะไปบิณฑบาตแถวนั้นเพราะมีร้านขายอาหารเตรียมอาหารใส่บาตรให้ใส่บาตรได้ถ้าเราอยากจะทำบุญทุกวั น, น, นเวลาก่อนจะไปทำงานก็แวะไปหาที่ที่เราจะซื้ออาหารใส่บาตรพระได้ หรือถ้าไม่สะดวกที่จะทําอย่างนี้ก็เอาเงินที่เราจะซื้ออาหารใส่บาทนี้ใส่ไว้ในกระป๋องในกระปุกแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นเงินทําบุญห้ามแตะต้องอห้ามจับทุกวันก่อนที่เราจะออกทํางานไปทํางานเราก็เอาเงินใส่บาทไปเอาเงินใส่กระปุกไปว่านี้เป็นการทําบุญ ถ้าเราทำทุกวันมันก็จะติดเป็นนิสัย <c oughs> เวลาทำมันจะทำให้เราเกิดในความสุขใจอิ่มใจแล้วพอถึงเวลาที่เรามีโอกาสจะไปทำบุญที่วัดหรือไปทำบุญที่ไหนก็ได้บุญนี้ทาได้ทุกแห่งทำที่วัดก็ได้ทำที่โรงพยาบาลก็ได้ทำที่โรงเรียนก็ได้ทำกับใครก็ได้ถ้าอยากจะปล่อยไปปล่อยวัวปล่อยไป ไปถ่ายชีวิตของวัวของควายก็ทำได้ไปปล่อยนอกปล่อยปลาก็ใช้เงินที่เราทำบุญนี้เอาไปใช้ได้หรือจะเอาไปบริจาคให้โรงเรียนบริจาคให้โรงพยาบาลหรือเวลาเราไปว่ดไปทำบุญเราก็จะได้มีเงินไปทำบุญเยอะๆถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เวลาวันเกิดเราบางทีจะไปทำบุญทำได้นิดเดียวแต่ถ้าเราทาบุญทุกวัน เราเก็บเงินที่เราจะทำเอาไปใช้ในทำบุญนี้เก็บไว้วันละเล็กวันละน้อยเวลาทำทีละเล็กทีละน้อยนี่มันทำง่ายเวลาเวลาทำทีละเยอะๆนี่มันจะทำยากเราจะไม่อยากจะทำเยอะกันเพราะเราจะเสียดายเงินทองแต่ถ้าเราทำทีละเล็กทีละน้อยนี่เราจะไม่รู้สึกเสียดายทุกวันเราก็เอาเงินใส่กับปุกไปนิดหน่อย เสียเทเท่เล็กเท่าน้อยนี้มันไม่เสียดดยแต่ทุกวันที่เราทำถ้าเก็บไว้หลายเดือนมันก็เป็นเงินหลายเงินมากขึ้นมาได้ก็จะทำให้เราได้ทำบุญมากได้ <c oughs> แล้วถ้าเราได้ทำบุญมากแล้วเราไม่ได้ทำบาปหรือทำบาปน้อย <c oughs> เพราะว่าเราไม่เสพอบายามุก <c oughs> เราถือศีลห้า โอกาสที่จะไปอบายนี้มีน้อยมากอาจจะมีเพียงร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นตท่านั้นเองเผื่อไว้เวลาที่เรายังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธโกรธความกลัวเกิดความหลงก็อาจจะเสือไปทำบาปได้แต่ถ้าทำน้อยกว่าบุญที่เราทำาเราก็ยังไม่ต้องไปอบายาเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดากันถ้าเรา ทำบุญมากกว่าทำบาปตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในบายอย่างถาวรนี้เราต้องปฏิบัติธรรมคือเราต้องฝึกสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อให้เราเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรัก ถ้าเรามีปัญญาเห็นอะไรอริยสัจ ส, สี่เห็นใจรักษและมีอุเบกขาเราจะสามารถหยุดการกระทําบาปได้เราจะสามารถควบคุมใจไม่ให้เกิดความรักความชังความกลัวความหลงได้ถ้าเราได้ถึงขั้นของพระอริยเจ้าแล้วเราจะไปติดเราจะปิดประตูบายอย่างถาวรพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ พระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์ขั้นที่สี่นี้จะไม่ไปเกิดในอบายถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ถ้าจะยังต้องกลับมาเกิดไม่เกินเจดชาติแต่จะไม่เกิดในอบายอันนี้ถ้าอยากจะปิดประตูอบายก็ต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือต้องฝึกสมาธิทาใจให้สงบ แล้วก็ศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมและเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะทำบาปก็อย่าไปอยากเพราะความอยากคือความโลภ ความรักความชังความกลัวความหลังความหลงนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความอยากเป็นตัวที่จะทำให้เราไปทำบาปได้นี่คือวิธีซื้อประกันภัยของทางพระพุทธศาสนาก็มีหลายขั้นด้วยกันตาละเว้นอบายามุกได้แต่ยังไม่สามารถถือศีลน้าได้เป็นประจำ โอกาสที่จะทําบาปก็ยังมีอยู่แต่ก็น้อยกว่าคนที่ไปเสพอบายมุกแต่คนที่นอกจากไม่เสพอบายมุกแล้วยังรักษาศีลห้าได้ด้วยก็โอกาสที่จะไปอบายก็มีน้อยลงไปแล้วนอกจากการไม่เสพอบายมุกและไม่รักไม่ทำบาปคือรักษาศีลเป็นปกติได้แล้วยังทําบุญเป็นปกติได้ด้วย โอกาสที่จะไปนี่แทบจะเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าจะปิดปิดประตูอาบายได้อย่างเต็มเต็มร้อยนี้จะต้องปฏิบัติทำจเจริญมศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะปิดประตูอาบายได้อย่างเต็มร้อยจะไม่ต้องไปเกิดในอาบายอีกต่อไป แล้พบชาติที่เหลือก็ไม่เกินเจ็บชาติเป็นอย่างมากก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปผู้ที่อยากจะไม่ต้องอกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่นอกจากขายประกันภัยแล้วก็ขายประกันชีวิตด้วยพวกเราทุกคนนี้เกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทุกคนใช่ไหม ถึงแม้จะไปซื้อประกันชีวิตเขาก็ไม่ประกันชีประกันความตายของเราได้เขาเพียงแต่ประกันความสูญเสียที่เกิดจากความตายของเราเช่นเวลาเราตายไปสมมุติว่าเรามีรายได้เท่านั้นเท่านี้เราบริษัทประกันชีวิตเขาก็จะรับเอารับเป็นผู้หารายได้นี้มาให้แก่คนที่เรายัางต้องเลี้ยงดูอยู่เช่นครอบครัวของเรา เวลาเราตายไปบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินเพื่อให้ครอบครัวของเรามีรายได้เหมือนกับตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่คือความหมายของการประกันชีวิตเขาไม่ได้ประกันชีวิตเขาไม่ได้ประกันเขาไม่ได้ประกันความตายของเราซื้อประกันชีวิตก็ต้องตายแต่ถ้าซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี้จะไม่ต้องตายอย่างแน่นอนเพราะเหตุใด เพราะว่าการซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี้จะทำให้เราไม่มาเกิดนั่นเองเมื่อเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือประกันชีวิตจริงๆเราจะไม่ต้องตายอีกต่อไปถ้าเราซื้อประกันชีวิตและจ่ายค่าประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานได้วิธีที่จะทำให้เราไม่กลับมาเกิด ไม่กลับมาตายก็คือเราจะต้องปฏิบัติธรรมเราจะต้องเป็นนักบวชกันเนื่อเพราะว่าการที่เราจะทำให้เราไม่กลับมาเกิดนี้เราจะต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตลอดเวลานั่นเองต้องปฏิบัติเต็มร้อยต้องรักษาศีลตั้งแต่ศีล8ดขึ้นไปศีล8ปศีลสิศีลสิ 10, ส 10, ขึ้นไปศีล227ร้ด อันนี้ถึงจะสามารถที่จะหยุดการกลับมาตายได้รักษาศีลแล้วก็ต้องฝึกสมาธิทำใจให้สงบตลอดเวลาทำใจให้เป็นอุเบกขาตลอดเวลาแล้วก็ต้องเจริญปัญญาให้ให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่น่าอยากได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง เกิดแล้วจะต้องดับเวลาได้มาก็ดีใจเวลาดับก็จะเสียใจ น, นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกวันนี้ที่เราหาทุกสิ่งทุกอย่างมานี้เราหามาเพื่ออะไรเพื่อให้ความสุขกับเราแต่เรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเวลามันจากเราไปมันจะทําให้เราทุกข์ โดอเวลามันเปลี่ยนไปยังไม่จากเราเพียงแต่เปลี่ยนไปมันก็ทำให้เราทุกข์แล้วเช่นเราอยากมีแฟนเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าถ้ามีแฟนแล้วเราจะมีความสุขมีแฟนมีเพื่อนมีความสุขแต่เราไม่มอ ง, มองไม่เห็นว่าแฟนนี้อาจจะเปลี่ยนไปตอนคบกันใหม่ๆก็อาจจะดีต่อการเอาอกเอาใจกันแต่พอมาอยู่ร่วมกันไม่นานเขาก็เปลี่ยนได้ เขาเคยเอา อ, อกเอาใจเขาก็เลิกเอา อ, อกเอาใจเราได้เขาเคยดีกับเราเขาก็เปลี่ยนเป็นร้ายกับเราก็ได้เคยชมเราพูดจาหวานพออยู่กับเราไปอาจจะเปลี่ยนเป็นด่าเราก็ได้พอเขาเปลี่ยนไปความสุขที่เราคิดว่าเราจะได้จากเขาก็หายไปแล้วสิ่งที่เราได้มาแทนก็คือความทุกข์ความขมขื่นใจ แต่เรามองไม่เห็นเวลาเราเกิดความอยากเราจะเห็นแต่ส่วนที่ดีส่วนที่ให้ความสุขกับเราเราจะไม่คิดถึงส่วนที่ไม่ดีส่วนที่จะให้ความทุกข์กับเราเรียกว่าเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะต้องเห็นทั้งสองส่วนเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเห็นว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการเจริญก็มีการเสื่อมได้ มีการเกิดก็มีการดับได้เขาอยู่กับเราถึงแม้ว่าเขาไม่เปลี่ยนเขาดีกับเราตลอดแต่เขาก็อาจจะตายจากเราไปก็ได้อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะไปเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะตายจากเราไปก็ได้พอเขาตายจากเราไปเราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่คือปัญญาเราต้องเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้วันดีคืนดีมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้และมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้เราจะไปห้ามให้เขาไม่เปลี่ยนไม่ได้เราจะไบังคับให้เขาไม่จากเราไปไม่ได้ถึงเวลาเขาจะจากเขาก็จากไปถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็จะไม่มีความอยากที่จะได้เขามาให้ความสุขกับเราสู้เราไปหาความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนดีกว่าความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ข้างในใจเราอยู่ที่การทําใจของเราให้สงบนี่แหละคือการทําสมาธิเป็นการเข้าหาความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่เพียงแต่สมาธินี้ยังเป็นความสุขที่ ไม่ถาวรจะสุขแค่ในขณะที่เวลาอยู่ในสมาธิเพราะขณะที่อยู่ในสมาธินี้ความอยากจะหายไปความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้การอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรมันจะหายไปพอมันหายไปมันก็ทำให้ใจเราสงบมีความสุขขึ้นมาแต่เราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมง พะเรายังต้องมาดูแลร่างกายร่างกายยังต้องการได้รับการดูแลยังต้องขับถ่ายยังต้องรับประทานอาหารยังต้องทำภารกิจอะไรต่างๆดงนั้นเวลาเราออกจากสมาธิมาความสงบก็จะหายไปความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่พอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาอยากได้อะไรก็จะมีความรู้สึกดงดเกลดนาคาญใจ เช่าส้อยงอยเงาว้าเหวขึ้นมามันก็จะทําให้เราไปทําไปทําสิ่งที่เราอยากทําถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะคิดว่าเป็นการหาความสุขแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะฝืนความอยากได้เราว่าอยากทาดีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็กลับไปนั่งสมาธิดีกว่าดีกว่าไปทําตามความอยากต่างๆเพราะทําตามความอยากมันได้ความสุขเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องอยากได้ใหม่อีกก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆต้องหาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็จะเสียใจทุกข์ใจถ้ามีปัญญาเวลาเกิดความอยากก็จะรู้ว่าไม่ควรทําตามความอยากเพราะความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์ดังั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ก็อยากไปทําตามความอยาก ถ้าเวลาเกิดความอยากแล้วใจไม่สบายงดเหงียดก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจก็จะหายหงดเหงียกแล้วก็จะไม่ต้องไปทำตามความอยากต่างๆพอไม่ไปทำตามความอยากต่างๆต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังก็จะไม่มาสร้างความงดเหงียสร้างความลำคาญใจให้กับเราเราก็จะมีแต่ความสงบมีความสุขตลอดเวลา เมื่อเรามีความสุขตลอดเวลาเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายกลับมาเกิดใหม่การที่เรายังมีร่างกายก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขในตัวเราในใจเราเราต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายต้องมีร่างกายไว้สำหรับเราจะได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไว้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจึงมีความ ต้องการที่จะต้องมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปแต่ความอยากมีร่างกายมันไม่หมดไปความอยากมันก็จะพาให้เราไปเกิดใหม่พอเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมาซื้อประกันชีวิตพระพุทธศาสนาก็จะสอนให้เราถือศีล จเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาพอเราสามารถมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้ตลอดเวลาเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่คอยผลักดันให้เราไปเกิดใหม่ได้เมื่อเราไม่มีความอยากอยู่ในใจเราก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็จะ ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายนี่คือวิธีซื้อซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาจะรับประกันว่าเราจะไม่ต้องตายต่อไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดนั่นเองถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ก็ยังต้องตายอยู่ไม่ว่าจะซื้อประกันชีวิตจากบริษัทไหนก็ไม่สามารถประกันความตายได้เกิดมาแล้วจะต้องตาย แต่ถ้าซื้อประกันชีวิตจากพระพุทธศาสนานี้จะทําให้เราไม่ตายเพราะจะทําให้เราไม่มาเกิดนั่นเองการที่เราจะไม่มาเกิดเราก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เต็มที่ให้เต็มร้อยต้องมีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลาต้องทําใจให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการต้องมีปัญญาเห็นโทษของความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นนัความอยากมีอยากเป็น ความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขความอยากไม่สูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปความอยากอันนี้นะที่เป็นตัวที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดต้องกลับมามีร่างกายพอมีร่างกายก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาต่อไปถ้าเราไม่อยากจะมีความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ได้เต็มร้อยสามารถ ใช้ศีลสมาธิปัญญากรรจัดความอยากต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาให้หมดไปได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากนั่นนี่มันก็จะหมดกําลังไปแล้วต่อไปใจของเราจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีการไปเกิดใหม่เมื่อไม่มีการเกิดใหม่ก็จะไม่มีการแกร่การเจ็บการตายใหม่ นี่คือวิธีประกันความตายประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาประกันด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาผู้ที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยนี้ส่วนมากก็จะเป็นนักบวชกันพเอเวลาเป็นนักบวชนี้จะมีเวลาเต็มร้อยให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่นี้ยังต้องมีภารกิจการงานมีหน้าที่อะไรต่างๆที่จะต้องทำอยู่ก็จะไม่สามารถทำให้สามารถปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยถ้าเหตุไม่เต็มร้อยผลก็ไม่เต็มร้อยความอยากก็ยังไม่สามารถหมดไปจากจิตจากใจได้อาจจะทาให้ความอยากเบาบางลงไปได้แต่ยังไม่สามารถทาให้มันหมดไปได้ ถ้าอยากจะทําให้มันหมดไปนี้จะต้องมีเวลาเต็มร้อยให้กับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ไดอ้อยู่ที่ว่าเราจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายนีหรือเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือนถึงแม้เราเป็นผู้คลองเรือนแต่ถ้าเรามีเวลาเต็มร้อยให้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราก็ยังสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้ า, าบวชแล้วแต่ไม่สามารถจเจราญศีล ส, สมาธิปัญญาได้เต็มร้อย <c oughs> ก็ยังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการบวชหรือการเป็นนักบวชนี้ไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าจะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถหยุดความตายได้สิ่งที่จะหยุดความตายได้นี้คือศีลสมาธิปัญญาแต่การเป็นนักบวชนี้ จะสนับสนุนให้การชั้นการกา ร, การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เป็นไปได้ง่ายกว่าการเป็นฆราวาสยกเว้นถ้าเป็นฆราวาที่มีบุญมีมีมีบุญบารมีคือไม่มีภารกิจการงานต่างๆต้องทํามีเวลาให้กับศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยก็าสามารถบรรลุยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีคารวสบางท่านก็สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมีบุญเก่าได้ทำไว้ในอดีตมาพอได้ฟังธรรมเสริมจากพระพุทธเจ้ารู้ว่าต้องทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำได้เต็มร้อยคือพอรู้ว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อย ก็ทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับศีลสมาธิปัญญาก็สามารถบรรลุธรรมสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้แต่มีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกันเสียมากกว่าและพวกผู้ที่ได้บรรลุผู้ที่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้วส่วนใหญ่ก็ขอบวชต่อเพราะว่ารู้ว่าอยู่เป็นคารวะก็อยู่ไม่ถูกกับกลุ่ม ต้องเป็นแกะดำํำถ้าอยู่กับกับฆรวาส ด, ด้วยกันก็ส่วนใหญ่เพราะบรรลุได้หลุดพ้นแล้วก็จะขอบวชจากพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระต่อไปนี่คือการซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาซื้อด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เต็มร้อยถ้าสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยแล้วก็สามารถหยุดเหตุที่จะทําให้เรามาเกิดได้ เหตุที่ทําให้เราเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะภาะวะตัณหาก็คือความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขวิภวะตัณหาก็คือความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขที่ได้มาไปนั่นเองอันนี้ถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มร้อยแล้ว เราจะสามารถกำจัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงใจของเราให้ไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดเมื่อไม่เกิดใหม่ก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายตามมาอันนี้คือเป็นการประกันชีวิตประกันความตายอย่างแท้จริงจะไม่ต้องตายอีกต่อไป แต่ถ้าซื้อประกันชีวิตจากบริษัทต่างๆนี้เขาไม่สามารถประกันความตายได้เขาประกันได้เพียงแต่ว่าถ้าตายไปรายได้ที่เราหามาที่เราไม่สามารถหาได้เขาจะเป็นผู้ชดเชยให้เพื่อให้ครอบครัวหรือผู้ที่เราต้องคอยดูแลจะมันจะสามารถมีรายได้อยู่ต่อไปได้เท่านั้นเองอ น, นี่คือเรื่องของ พุทธศาสนาที่เปรียบเทียบเป็นเหมือนกับบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตถ้าพวกเรามีโอกาสได้มาพบกับพุทธศาสนาก็เท่ากับเรามีโอกาสได้ซื้อประกันภัยได้ซื้อประกันชีวิตที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็อยู่ที่เราถ้าเราซื้อเราก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันเบี้ยประกันภัยก็คือเราต้องละอบายมุกเราต้องรักษาศีลห้า เราต้องพยายามทำบุญให้มากๆทำบุญให้ติดเป็นนิสัยไปทำบุญทุกวันถ้าเราทำอย่างนี้ได้โอกาสที่เราจะไปเกิดอาบายนี้ก็แทบจะไม่มีเลยแต่ถ้าจะให้ไม่มีอย่างร้อยเรซ์เราก็ต้องไปซื้อประกันชีวิตเพราะถ้าเราซื้อประกันชีวิตแล้วเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยเราก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ ถ้าเราได้เป็นพระอริยบุคคลเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในในอบายอีกต่อไปนะจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปด้วยนี่คือการซื้อถ้าซื้อประกันชีวิตก็จะได้ทั้งประกันภัยได้ทั้งประกันชีวิตถ้าซื้อประกันภัยก็จะก็ได้ประกันภัยแต่ก็ยังไม่แน่นอนมีโอกาสที่พลังเผลอได้ก็อาจจะไป อบายได้แต่โอกาสจะไปยังมีน้อยมากนะดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธศาสนาเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะมีประกันภัยอยากจะมีประกันชีวิตคือถ้าตายไปถ้ายังไม่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่ไปเกิดในอบายถ้าเราซื้อประกันภัยถ้าเราซื้อประกันชีวิตตายไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ก็ขอให้เราจงเอาความรู้อันนี้ที่ได้ยินได้ฟังอันนี้ไปพิพจารณาละไปตัดสินใจเอาว่าจะซื้อประกันชนิดไหนดีประโยชน์ที่จะได้รับก็คือตัวเรานี้เองไม่มีใครจะได้รับ mm hmm. ก็การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเรวะหาปุราปริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหะโสยะถามณิโชติ อาราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตารโยสุขีธีขาโยโภวะอภิวาทนศีลิสานิจจังุทธาปจายิโนจตารโหธรมมวทานติอายุวันโนสุขัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอถามไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วของดการถามการตอบถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเอง ตันนี้ก็เขียนข้อความส่งเข้ามาได้แล้วจะมีพิธีกรจะอ่านคําถามให้วันนี้ทางเฟ o บุ๊กยูทูปเข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทางเ facebook เข้ามาทั้งหมดสามร้อยสี่สิบเก้าคนทางยู u ูปเก้าสิบคนทางวิทยุออนไลน์เจ็ดคนผู้ที่มารับฟังบนเขาวันนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบปดคนรวมทั้งหมดห้าร้อยเจสิบสี่คนครับผมห้ารอยเจ็ดสิบสี่นะ กราบนรัศการค่ะพระอาจารย์คุณแม่เพื่อนฝากถามมาค่ะปวดใกล้ไหนคุณแม่เพื่อนฝากถามมานะคะคือว่าการกรวดน้ําต้องเอ่ยชื่อบรรพบรุษหรือญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปีหรือไม่เพราะเราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านทั้งหลายนั้นไปเกิดใหม่แล้วและถ้าไปเกิดแล้วบุญเหล่านี้จะได้กับใครคะขอพระคุณค่ะถ้าไม่มีผู้รับก็กลับมาหาผู้ส่ง ถ้าท่านไม่ได้รับก็ถ้าเราไม่ได้อุทิศให้กับผู้อื่นต่อก็กลับมาหาเราถ้าเราอุทิศว่าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไปก็ผู้ใดที่รอรับอยู่ที่ไม่มีญาติผู้ที่ไม่มีญาติอุทิศเขาก็จะรับบุญที่เราอุทิศไปได้เราก็อุทิศด้วยการกล่าวถึงชื่อของคนที่เราต้องการอุทิศก่อนแล้วก็ตามด้วยถ้าถ้าเขาไม่รับก็ขอให้ผู้ที่ ให้สัปสัดทั้งหลายรับไปเอก็คนจะกล่าวชื่อเพราะถ้าไม่กล่าวชื่อก็จะไม่รู้ว่าจะอุทิศให้ใครผู้รับเขาก็รับไม่ได้เพราะไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เขียนชื่อบนกล่องของขวัญคนที่เขาจะไปหยิบของขวัญมาถ้าไม่เห็นชื่อเขาเขาก็ไม่กล้าหยิบเพราะถ้าหยิบก็เหมือนกับไปเอาของของคนอื่นอย่างนั้นเราต้องกล่าวชื่อของเขาเพื่อผู้รับเขาจะได้รู้ว่าเรา ให้เขาถ้าเขาไม่อยู่รับเขาไปเกิดหมายแล้วหรือไปเป็นเทวดาเราก็ให้กับผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีผู้ที่อุทิศให้เขารับไปแทนคำถามจากทางไลน์ค่ะหลูขอนุญาตถามเรื่องวิญญาณมีจริงไหมตั้งแต่พ่อเสียเห็นคนเดินผ่านเป็นพ่อที่เสียคิดว่าตัวเองตาฝาด เรวิ่งตามไปดูเป็นคนอื่นวันไปเก็บกระดูพมนำอบและลอยอังคารในบ้านได้กลิ่นน้ำอบทั้งทั้งที่ไม่มีใครพมนำอบลูกหลานฝันถึงพ่อหลายคนขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะมันเป็นอุปทานหรือเป็นความนึกคิดของเราพอเราคิดถึงไข่พอเราเห็นใครนี่ถึงแม้าตาเราจะเห็นเห็นเป็นคนอื่นแต่ใจเราไปเห็นว่าเป็นคนที่เราคิดถึงเขา งั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ใจของเรานี่ยังเป็นใจที่ยังมีความเพ้อเจอ้อเพ้อฝันอยู่พอเห็นอะไรก็คิดไปตามที่เราคิดก็เลยเห็นว่าเป็นเป็นเหมือนกับที่เราคิดไปส่วนเรื่องวิญญาณมีจริงหรือไม่วิญญาณก็คือใจของพวกเรานี่แหละที่กำลังรู้กำลังคิดอยู่ตอนนี้เพื่อที่จะ เวลาไม่มีร่างกายก็จะเป็น ด, ดวงวิญญาณไปเพื่อที่จะได้ไปเกิดเป็นกายทิพย์ต่อไปกายทิพย์ก็มีสองส่วนส่วนที่ดีเราก็เรียกว่าเทวดาส่วนที่ไม่ดีเราก็เรียกว่าเปรตอสูรกายนารกเนี่ยแล้วก็พอถึงเวลาที่จะได้รับร่างกายใหม่แล้วก็จะได้กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปคาถามต่อไปคะ่ะ คือว่าบิดาของหนูท่านเป็นคนยึดติดยึดมั่นกับสิ่งที่เป็นตัวกูของกูอะไรที่เป็นของท่านท่านจะไม่แบ่งใครเลยแม้กระทั่งคุณแม่ของท่านเองและดิฉันบอกให้ท่านแบ่งทานให้คนอื่นบ้างพอที่บ้านเรามีเยอะอยู่แล้วท่านก็บอกว่าเขาก็มีเหมือนกันจะให้เขาเยอะๆทาไมสุดท้ายดิฉันบอกให้ไปฟังธรรมะหรือเข้าวัดท่านก็ตอบว่าไปบ่อยแล้ว หููควรทำอย่างไรดีคะท่านถึงจะลดความตนีอยากให้ท่านพ้นหนทาง พ, นพ้นทุกข์ค่ะก็เหมือนกับอยากให้ส้มมันเป็นกล้วยอย่างเงี้ยถ้าส้มมันจะเป็นเป็นกล้วยได้อย่างไรคนตนีจะเป็นคนไม่ตนีได้อย่างไงถ้าก็ไม่ยอมมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเราก็บอกเหตุบอกผลให้เขาทราบแล้วว่าความตนีไม่ดี การให้การเสียสละนีดีเพราะจะทำให้เกิดบุญเกิดความสุขใจเป็นที่เพิ่งต่อไปเวลาตายได้เราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วแต่เมื่อเขาปฏิเสธก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้ก็เหมือนกับเราอยากจะให้กล้วยเป็นส้มหรือส้มเป็นกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้ เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ยุติความพยายามมันนี้คำถามต่อไปค่ะดิฉันเป็นแม่ไม้ลูกติดสองคนเมื่อก่อนเป็นเมียน้อยพอรู้จักการรักษาศีลก็พยายามที่จะเลิกดิฉันก็เลยหลอกเขาว่าไม่สบายเป็นโรคเขาสงสารพยายามช่วยรักษาทำให้เรามีความสุข ช่วงหลังๆเราพยายามขอเลิกกับเขาแต่เขาบอกว่าขอเลี้ยงดูอย่างนี้ไปก่อนถึงเวลาจะไปเองคําถามค่ะสถานะปัจจุบันของเราตอนนี้ถือว่าดิฉันเองได้รักษาศินข้อที่สมหรือไม่คะถ้าไม่ดิฉันควรจะทําอย่างไรจึงจะรักษาศินข้อที่สได้เจ้าคะถ้าเขายังมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วเรายังมีความสัมพันธ์กับเขาอยู่ในฐานะเป็นภรรยาน้อย ก็ยังถือว่าเรายังผิดศีลข้อ3นี้อยูอ่ก็ขอให้เขาแต่งงานกับเราให้เขาประกาศให้ให้เป็นที่รับทราบคนเราถ้าอยากจะมีสองภรรยาสมัยนี้เขาก็ไม่ว่ากันแต่อย่าทแบบหลอกลวงกันทำแบบเปิดเผยอบอกเขาว่าถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันก็ขอให้เขาจัดงานแต่งงานประกาศให้คนอื่นชาวบ้านรู้ว่า รับเราเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งก็ได้อย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่ผิดประเพณีเพราะเป็นที่รับทราบกันของของคนที่เกี่ยวข้องด้วยคำถามต่อไปจากทาง Facebook ค, ค่ะจากคุณธนวัตรอยากสอบถามว่าถ้าเกิดครูบาอาจารย์ที่เรานับถือมีมากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจเจริญกรรมฐานแบบไหนให้เหมาะกับเราครับ จะทราบได้อย่างไรครับว่าอดีตชาติก่อนๆเราเคยอธิษฐาน อ, าะอะไรไว้ชาตินี้ถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อ, อ๋อของพวกนี้ไม่ควรจะต้องทราบหรอกขอให้เราทราบแต่ว่าเราปฏิบัติตามคําสอนของครูบาอาจารย์ได้หรือเปล่าเราทําบุญทําทานได้หรือเปล่าเรารักษาศีลห้าลักษาศี 5, ลแปได้หรือเปล่าออแล้วเราก็ฝึกสมาธิฝึกสติได้หรือเปล่า สติก็ใช้กันทั่วไปก็มีสองอันพุโทโธพุธโทโธหรือการเฝ้าดูร่างกายของเรากำลังทำอะไรก็มีใจจดจอ่อเฝ้าดูการกระทาของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอันนี้ใช้ได้กับทุกคนแล้วก็นั่งสมาธิถ้าเรามีสติเรานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบแล้วต่อไปเราก็จะมีความสุข แล้วคำถามต่าง ๆ, ๆที่เราอยากจะรู้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องรู้พอรู้ไปก็ไม่ทำให้เรามีความสุขใดางลยเรามาทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขดีกว่าคำถามจากผู้รับฟังบนข่าคะ่ะกล่าวเรียนถามพระอาจารย์เพื่อนผมเป็นคนเก่งเรียนจบสูงขยันทำมาหากินชอบทำบุญสวดมนต์ แต่ภายหลังมาทราบว่าเป็นโรคร้ายเลยหยุดความฝันที่จะมีเงินทองสิ่งปรารถนาต่างๆเพื่อนทุกใจหมดกำลังใจไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเพราะเร็วๆนี้คงตายพระอาจารย์คิดว่าอย่างไรถึงทำไมถึงเจอสิ่งร้ายๆครับอ๋อคนเราทุกคนก็ต้องตายได้กันทังนั้นนะั้นความตายนี้มันเท่ากันหมดทุกคน ไม่ไม่ควรที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการกระทาความดีต่างๆของเราเราเคยทําความดีอะไรไว้ก็ควรจะรีบทําให้มากขึ้นเพราะเวลาเรามีเหลือน้อย <Yeah. S 1> แล้วถ้าเรารีบทําเราอาจจะสามารถได้รับผลประโยชน์อาจจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยก็ได้ <Yeah. S 1> ควรจะเอาวิกฤตนี้มาเป็นโอกาสเพราะถ้าเราไม่เห็นความตายเราก็อาจจะประมาทยังไม่อยากจะทําบุญทําประโยชน์ ให้กับตัวเราอย่างเต็มที่แต่พอเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องตายแล้วทีนี่เราก็อาจจะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจให้กับการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดีไม่ดีแล้วก็อาจจะหลุดพ้นบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ก่อนตายก็ได้คําถามต่อไปคะ่ะเมื่อก่อนเคยทําบุญแล้วก็กลับมาทํางานผิดศีลแล้วก็กลับมาคิดได้ ก็เลยกลับมานั่งสมาธิเกือบทุกวันเหมือนเดิมแล้วมีสิทธิ์หลุดพ้นหรือไม่คะ อ, อ๋อถ้าสมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่พอจะหลุดพ้นได้ต้องมีปัญญาด้วยนอกจากมีสมาธิแล้วเราต้องมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นใจรักเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปห้ามมันไม่ได้แล้วก็ ถ้าเรามีปัญญาเราก็ตัดความอยากต่างๆได้เราก็จะหลุดพ้นได้ผมอยากจะถามพระอาจารย์เรื่องอ่าสติตัวรู้คือมันเป็นตัวเดียวกันหรือไม่แล้วก็อ่าแหล่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดยังไงนี่คือคำถามที่หนึ่งก่อนครับอาจารคือตัวรู้ก็คือใจ ใจคือ่ร <char ue. S 1> like, ู้แตใจนี้จะรู對對้หรือไม่รู้อยู่ที่มีสติให้จะรู้อยู่กับเรื่องอะไรก็อยู่ที่สติถ้ามีสติก็สามารถให้มันรู้อยู่กับเรื่องเดียวได้เช่นให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนี่จะต้องมีสติเหมือนถึงจะอยู่กับเรื่องเดียวได้แต่ถ้าไม่มีสติมันจะอยู่มันจะอยู่กับทุกเรื่องที่มันคิดมันคิดเรื่องอะไรมันก็ไปอยู่กับเรื่องนั้น คิดถึงแฟนก็อยู่ก็กรู้เรื่องแฟนคิดถึงเงินก็รู้เรื่องเงินไปนี่มันต่างกันตรงนี้สตินี้จะเป็นตัวควบคุมตัวรู้ให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่ไม่ควรจะรู้ก็อย่าให้เป็นไปรู้ใจนี้ถ้าไม่มีสติก็เหมือนเด็กที่ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเด็กมันก็จะไปเล่นของมันตามภาษาเห็นงูก็ จ, จะไปจับไปเล่นกับงูก็ได้เพราะมันไม่รู้ว่างูเป็นพิษเป็นอันตราย แต่ถ้ามีสตินี่สติมันจะบอกว่าอ๋อนี่ไม่ดีอย่าไปให้สตินี่ต้องมีปัญญาด้วยคือปัญญาก็ต้องอาศัยคำสอนของผู้ที่รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงเราก็ใช้สติคอยคุมใจไม่ให้มันคิดไปทางความโลภความโกรธความหลงเวลามันโลภก็ใช้สติหยุดมันให้มันรู้อยู่กับความไม่โลภ รู้กับความไม่โกรธยู้รู้กับความไม่หลงเวลามีความโลภความโกรธความหลงก็ใช้สติหยุดมันนี่คือสรุปสรุปคือสติเป็นตัวคอยควบคุมตัวรู้ให้รู้ว่าควรจะรู้เรื่องอะไรเรื่องไม่ควรจะรู้เรื่องอะไรสติปัญญาสติต้องมีปัญญาประกอบด้วยครับสาธุคือหมายความว่าสติเป็นตัวบังคับตัวรู้เป็นตัวบังคับอาจจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันก็ได้ ก็แล้วแต่มันจะตัวเดียวกันแล้วไม่ตัวเดียวกันก็แล้วแต่ไม่สำคัญไว้สำคัญว่าให้เรารู้ว่าถ้าไม่มีสติตัวรู้มันจะมันจะรู้รู้ตามความคิดต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาใจคิดอะไรมันก็จะรู้ตามที่มันคิดแล้วมันก็อาจจะไปทำตามที่มันคิดต่อไปแต่ถ้ามันมีปัญญาปัญญาก็จะสอนว่าความคิดแบบนี้ดีความคิดแบบนี้ไม่ดีถ้าคิดแบบนี้ไม่ดีก็หยุดมัน จะหยุดมันได้ก็ต้องมีสติถึงจะหยุดมันได้สติก็คือตัวหยุดความคิดต่างๆที่ไม่ดีคือตัวรู้กับตัวคิดเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันกลับมาเกี่ยวเชื่อมโยกับสติถูกต้องาาไหมครับอาจารย์อาจารย์ก็มันบอกแล้วมันชื่อต่างกันตัวรู้ก็รู้ตัวคิดก็คิดิดอตัวสติก็เป็นตัวหยุดหยุดความคิดครับอ่า ต, ตัวที่สองเนี่ยคือหมายว่าการฝึกสมาธิเนี่ยที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยไอ้ตัวนี้เราฝึกในเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากสตทิที่อ่า ร, รู้รู้แล้วไปยั้งคิดตัวคิดไม่ให้ทำในทางอากุศลแล้วก็ให้ดำเนินไปทางในอ่ากุศลก็ตัวสติเนี่ยเป็นตัวหยุดความคิดถ้าอยากจะให้จิตเป็นสมาธิก็ต้องหยุดความคิด เพราะสมาธิคือความนิ่งของใจของจิตจิตจะนิ่งก็ต้องหยุดความคิดเหมือนรถรถจะหยุดวิ่งก็ต้องเหยียบเบรกใช่ไหมครับถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็ไม่จอดมันก็วิ่งไปเรื่อยๆดังั้นถ้าเราต้องการให้รถจอดให้รถนิ่งเราก็ต้องเหยียบเบรคถ้าเราต้องการให้จิตเป็นสมาธิเราก็ต้องใช้สติหยุดความคิดพอมีสติพูดโธพูดโธไปมันก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ มันก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิพอเ่าเป็นสมาธิมันก็จะอิ่มมีความสุขมันก็จะไม่ไม่หิวไม่อยากได้อะไรอันนี้เป็นสมาธิทำให้ใจอิ่มแต่เวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีสติเดี๋ยวความคิดก็อาจจะไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าถ้าอยากจะกำจัดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องมีปัญญา มาสอนว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะหมดไปเวลาหมดความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปอันนี้เป็นปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะเลิกความอยากได้อย่างถาวรถ้าไม่มีปัญญาถ้าจะอยากจะหยุดความอยากก็หยุดได้แต่หยุดได้ชั่วคราวก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันพออยากยัสู่บุหรี่ก็พุทโธพุทโธไป พอเราพูดโทรไปเราก็ลืมเรื่องสูบบุหรี่เราก็หยุดสูบบุหรี่ชั่วคราวไปแต่พอเราเผลอปล่อยให้คิดถึงบุหรี่มันก็อยากจะสูบบุหรี่ใหม่ทุกครั้งไปสติไม่สามารถหยุดความอยากได้ถาวรหยุดได้ชั่วคราวถ้าจะหยุดได้อย่างชาวรต้องใช้ปัญญาปัญญาจะสอนใจด้วยเหตุผลว่าบุหรี่ไม่ดีสูบไปแล้วจะติดแล้วจะเป็นทุกเวลาอยากสูบแล้วไม่มีสูบ ครับาทุพระอาจารย์ครับอ่าคือพระอาจารย์สอนผมไว้ว่ า, าการฝึกสติเนี่ยสามารถฝึกได้สนะี่ลักษณะนั่งยืนเดินนอนทีนี้ผมเข้าใจว่าพระอาจารย์สอนให้ผมเนี่ยมีสติตลอดยี่บสี่ชั่วโมงจนกว่าจะหลับตื่นขึ้นมาก็ให้วนเวียนเหมือนแบบนี้ตลอดเพื่อให้เกิดปัญญา อ่ไอเกิดสมาธิไหมไอเกิดสมาธิใช่ไหมครับแล้วไอสมาธิตัวนี้เมื่อเกิดบ่อยๆเนี่ยผมจะเกิดปัญญาหรือเปล่าครับไม่เกิดเหรอปัญญาต้องคิดคิดว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเป็นไปรักเป็นตายรักเป็นทุกข์ต้องเห็นอะไรที่เราคิดเห็นเงินเรามังจะคิดว่ามันดีแล้วเราคิดใหม่ว่าไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรตอนที่มันหมดไงเวลาเงินหมดดีไหม คือต้องแยกออกจากกันถูกต้องมาครับคนละเรื่องกันคนละเรื่องครับสมาธิทําใจให้อิ่มทาให้ใจให้ไม่หิวกับเงินทองเวลาเกิดความอยากได้เงินทองก็หยุดมันได้เพราะไม่หิวครับจะต้องมีปัญญาบอกว่าทําไมไม่ควรไปอยากได้เงินทองครับเพราะเงินทองมันเป็นสองด้านมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ทุกตอนที่มันหมดสุขตอนที่มันมีครับ ผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์จะนไปไปําไปปฏิบัติอนะครับก็มันต้องสติก่อนแล้วให้ทําให้ใส่สมาธิพอได้สมาธิใจอิ่มแล้วจีงมีกําลังสู้กับความอยากอยากได้อะไรก็เอาตายรักมาสอนว่าเอออย่าไปเอามันดีกว่าเอาเลดทุกข์อย่าไปเอามันมันก็จะไม่ถ้าใจอิ่มว่าไม่ไม่เอามันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิมันหิวมันโหยพอมันคิดว่าอะไรดีมันก็จะเอาอย่างเดียว รับเพิ่มเติมอีกข้อครับพระอาจารย์เอาเลยคืออ่าถ้ากิเลสเกิดจากกำลังจะเกิดจากทวารทั้งหกเนี่ยอ่าผมก็ใช้ใจรักมองให้เกิดปัญญาถูกต้องไหมครับอ่าเห็นแฟนก็มองว่าเป็นอสุภะไปปัญญาก็คือเห็นแฟนเป็นศพไปเียก็จะไม่อยากนอนกับแฟน ทำไม้าถ้าเกิดแฟนวันนี้ตายไปยังจะเก็บไว้ในบ้านอยู่เปล่ายังอยากจะนอนกับแฟนอยู่ เ, <chỉ S 1> เปล่าก็แฟนหลายสิบปีแล้วครับอแฟ น, ฟนผมเนี่ย<ม>เขาจะแยกเขาจะนอนใ น, ในปลายตีนผมครับปลายเท้าพูดขอโทษครับแล้วผมก็นอนอยู่บนเกียนคือคือเขาถือศีนุโบโสดอ่าอใช่แต่เกิดถือศีนมันก็ยังหยุดไม่ได้ เกิดมันเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็อยากไม่ครับพระอาจารย์ถ้าไม่ก็ไม่ต้องใช้ปัญญาถ้ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องเห็นแฟนเป็นซากศพหรือเห็นอาการ32ของแฟนเห็นโครงกระดูกเห็นตับเห็นไตเห็นเห็นลำไส้เห็นปอดเห็นหัวใจมันก็จะทำให้โอ้ไม่อยากจะนอนไม่อยากจะอยู่ใกล้ด้วยครับพระสาธุผมเข้าใจแล้วครับโอยคนั่นะปัญญาจะหยุดความโลภหยุดความอยาก ปัญญามันมีหลายรูปแบบพบความโลภมันมีหลายรูปแบบต้องใช้ให้ถูกกับโลคของมันชนิดของมันถ้าไปอยากถ้าไปอยากนอนกับแฟนแทนที่ไปใช้เมตตามันก็ไม่ได้ถ้าใช้เมตตาเดี๋ยวก็สงสารเขาโอ้ยเขาเหงาสงสารเขาเดี๋ยวเขาไม่นอนเับเมตตาต้องใช้กับเวลาเรากรดเขา เ, าเวลากรดเขาต้องสงสารเขาให้อภัยเขาปัญญามันมีหลายแบบเข้าใจ ไ, ไม จะต้องใช้ให้มันถูกแบบเหมือนยาถ้าปวดท้องต้องกินยาแก้ปวดท้องอย่าไปกินยาแก้ปวดหัวหายไปไหนครับอ่าอ่หูสนอะให้มันถูกให้มันถูกโรคถูกชนิดกันครับครับต่อคำถามต่อไปจากเฟซบุ๊กค่ะเวลากระผมให้ทานมักตั้งจิตน้อมในทานด้วยความตั้งใจทุกครั้ง พอเสร็จจะพยายามตัดความปิติแช่ ช, ชื่นออกไปจากใจให้รู้สึกเฉยๆพยายามไม่ให้จิตมันติดในทานที่ทําลงไปให้รู้สึกเพียงเฉยๆเท่านั้นทานเสร็จแล้วกับทานเสร็จแล้วก็แล้วไปไม่ทราบว่าทําแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกหรอกเพราะว่าความปิติความสุขที่เกิดจากการทําบุญ น, นี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอาหารควรที่จะให้มันเกิด อย่าไปห้ามมันถ้าทำบุญแล้วเกิดปิติเกิดความสุขเนี่ยดีเพราะมันจะทำให้เราไม่หิวโหยกับสิ่งอื่นๆแต่ถ้าเราไปควบคุมไปบังคับมันมนี่เหมือนเหมือนกับเราไปไปฝืนมันมันจะทำให้เราไม่อยากจะทำบุญต่อไปการติดการทำบุญไม่เสียหายเพราะไม่ใช่เป็นยาเสพติดเพราะการทำบุญนี่เราทำด้วยเหตุด้วยผลคือถ้าเรามีเราก็ทา ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ทําถ้าอย่างนี้ไม่ติดเวลาเรามีเงินแทนที่เราจะไปไปเที่ยวกันไปไปเล่นกันด้วยเงินทองเราก็เอาไปทําบุญทําแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแต่ถ้าเวลาเรามีเงินหมดเราก็ไม่ต้องทำเพราะเราไม่ได้ทําด้วยความผูกพันด้วยความติดมันแต่รสชาติของบุญนี่มันเป็นประโยชน์เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจอย่าไป อย่าไปทำลายมันถ้าอยากจะทำใจให้เฉยๆไปนั่งสมาธิธดีกว่าอันนั้นจะเป็นความเฉยที่ถูกต้องความเฉยที่เราไปบังคับมันนี่เป็นความเฉยปลอมบังคับมันเดียวเดียวเดียวมันก็หายไปคำถามจากคุณปุ้ยคะ่ะข้อที่หนึ่งโยมไม่ค่อยมีโอกาสใส่บาตรจึงมักทำบุญกถิ่นพระป่าและบริจาคทรัพย์แก่โรงพยาบาลเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์อยากถามว่า การบริจาคทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลถือเป็นการทําบุญหรือไม่และได้อ น, นิสงผลบุญแตกต่างกันอย่างไรคะได้เหมือนกันทําบุญกับใครที่ไหนถ้าเราได้เสียสละเงินทองจำนวนเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันได้อ น, นิสงเท่ากันข้อที่สองนะคะโยมตื่นมานั่งสมาธิตอนตีสามรู้สึกว่าจิตใจสงบและจิตเป็นสมาธิได้เร็วมากสักพัก รู้เหมือนตัวเองถูกเหวี่ยงหมุนอยู่สามรอบสุดท้ายถูกเหวี่ยงออกไปเหมือนตกจากที่สูงจนตกใจและกลัวจึงไม่สามารถนั่งสมาธิต่อได้ได้ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางให้จิตรวมคืออะไรคะคือนั่งสมาธิเราต้องมีอะไรกากับใจควบคุมใจอย่านั่งเฉยๆนั่งแล้วต้องมีสติคอยกากับใจ คือมีพุทโธพุทโธแล้วมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องถ้านั่งแบบนี้แล้วใจจะไม่มีอาการแปลกๆต่างๆถ้าจะมีก็เพียงแต่วูบตกเหมือนจากตกลงจากที่สูงแล้วก็สงบนิ่งเยน็นสบายแต่ถ้าเราไม่มีมันก็จะมีอาการหวาดกลัวต่างๆเหล่านี้ได้แต่ถ้าเรามีสติถึงแม้ถ้าจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เราก็เราก็สามารถที่จะ ไม่เดื อ, อดร้อนไปกับมันได้ถ้าเรามีพุทธโธเราก็พุทธโธพุทธโธไปยิงั้นเวลาที่เกิดอาการอะไรต่างๆนี้แสดงว่าเราขาดสติแล้วปล่อยให้จิตมัน เ, เล่นละครหลอกเร า, เ, าเราก็ต้องใช้สติดึงใจเรากลับมาหยุดมันหยุดไม่ให้มันเล่นละครหลอกเราโดยการกลับมาหาพุทธโธพุทธโธพุทธโธด้วยกลับมาดูลมหายใจเข้าออกแล้วเดี๋ยวอาการเหล่านั้นก็จะหายไป คำถามจากคุณอุจังค่ะกลับเปียนถามพระอาจารย์ค่ะการแยกการแยกกายแยกจิตเพื่อลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเหมือนมันเหมือนหนีความเวทนาไปชั่วคราวก่อนเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่คะหรือให้สู้กับความเวทนานั้นไปเลยแล้วอดทนเอากําหนดว่าเดี๋ยวความปวดก็ดับส่วนตัวที่เคยทําแบบที่สองมันปวดแบบทรมานค่ะ ก็ถ้าอยู่กับมันได้ก็ไม่ต้องหนีมันถ้ายังอยู่กับมันไม่ได้ก็ต้องหลบมันไปก่อนเข้าไปในสมาธิแทนถ้าเข้าสมาธิได้ความเจ็บปวดของทางร่างกายก็จะไม่เข้ามาทางที่ใจแต่พอออกมาก็จะเจอมันอีกถ้าเจอมันอีกถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับมันก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บนั้น ว่าความเจ็บนั้นมันไม่เที่ยงมันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมามันก็มามันจะไปก็ไปถ้าเราอยากจะให้มันไปมันไม่ไปเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไปเราเฉยๆอยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันดงนั้นถ้าเราอยากจะอยู่กับความเจ็บเราต้องรู้จักทำใจให้เฉยไม่ให้มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปคาถามจากคุณซีชั่นเชนค่ะ เรียนถามพระอาจารย์ขณะลูกนั่งสมาธิจะนึกถึงไตรักก่อนความตายเป็นของเที่ยงคิดแบบนี้จึงจะสงบเราจึงพุทธโธต่อแบบนี้ทำได้หรือไม่คะได้วิธีไหนที่ทำให้ใจและสงบได้ทั้งนั้นนะคำถามจากคุณซินีนาธค่ะเรียนถามมีคุณครูผู้หนึ่งท่านอายุห้าสิบเจ็ดปีพูดว่าพูดว่าทุกวันนี้ท่านเป็นคนดี เป็นคนดีท่านก็ไม่แต่ท่านไม่เคยเข้าวัดดังนั้นนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องไปวัดและไม่จำเป็นต้องนั่งไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิในบางชั่วโมงอบรมคุณธรรมของนักเรียนในเรื่องนี้พระอาจารย์คิดอย่างไรคะก็แต่ละคนก็อาจจะมีความสามารถไม่เหมือนกันคนที่สามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องเข้าวัดก็ไม่ต้องเข้าวัด คนที่ยังไม่สามารถทำความดีได้การไปวัดก็เป็นการไปหัดทำความดีเพราะฉะนั้นคนเราไม่เหมือนกันทุกคนครูอาจจะทำความดีได้โดยไม่ต้องเข้าวัดก็ここไม่ต้องเข้าวัดแต่เด็กที่ไม่เคยทำความดีไม่ได้ก็อาจจะต้องไปเข้าวัดเพราะทางวัดจะได้สอนให้เราเป็นคนดีได้การกราบพระนี่ก็เป็นการทำตัวให้เราเป็นคนดีเพราะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่มีความอ่อนน้อมถอ่อมตนนี่จะไม่เป็นผู้ที่น่ารังเกียจกับใครมีแต่คนเขายินดีที่จะคบค้าสมาคมด้วยแต่คนที่อวดเก่งอวดเบ่ ง, อ ว, วงอวดใหญ่อวดโตนี่มักจะเป็นคนที่ไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นการที่ไปวัดแล้วถูกสอนให้ทำอะไรต่างๆนี้ก็เป็นวิธีการทำความดีต่างๆนั่นเองซึ่งคุณครูอะ ที่พูดนี้อาจจะยังทำไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะรังไม่ชอบทำก็ได้ถึงไม่อยากจะทำก็แสดงว่ายังไม่ดีเต็มที่ยังมีความถืออัดถือตัวอยู่ยังไม่ชอบกราบไม่ชอบไหว้ใครคำ ถ, ถามจากทางไลน์จากคุณกันค่ะขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ใจเรามีพลังศรัทธาเพียงพอและมีความพร้อม เพื่อละความเป็นแบบปุถุชนสละออกบวชได้ที่ผ่านมาเมื่อมีโอกาสผมจะไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปที่วัดพยายามรักษาศีลให้สมบูรณ์และเพิ่มเพิ่มเป็นรักษาศีลแปในวันพระในระยะนี้กำลังทดสอบตัวเองครับขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับศรัทธาก็ทำเกิดจากการที่เราศึกษาศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าพนะระธรรมก็ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ก็ศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราต้องศึกษาเรียนรู้ว่าท่านเป็นอย่างไรท่านสอนอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราได้รู้แล้วเราก็จะทำให้เกิดอราเปนศรัทธาในการที่เราจะปฏิบัติตามท่านต่อไปคนะนะรับกลับเรียนถามเพิ่มเติมค่ะพระอาจารย์ การสวดมนต์ทำวัดเชา้าวัดเย็นจำเป็นไหมคะก็ะะเป็นเป็นวิธีฝึกสมาธิฝึกฝึกเจ็ดอย่างหนึง่งบางคนยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็ทำวัดช้าไปก่อนทำวัดเย็นไปก่อนถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่จำเป็นแทนที่จสวดก็นั่งสมาธิไปเลยแต่บางคนนั่งสมาธิแล้วนั่งไม่ได้ใจคิดนูน่นคิดนี่ร้อยแปดก็ให้สวดมนต์ไหว้พระไปก่อนก็ขอบคุณค่ะ คำถามจากคุณปุ้ยนะคะคำถามต่อจากข้อที่สองคำถามต่อจากข้อสองข้อแรกที่บอกว่าถูกเวียงเหมือนตกจากที่สูงขณะนั่งสมาธิขอถามต่อว่าเมื่อจิตรวมเราจะรู้สึกอย่างไรคะมันก็เหมือนอยากตกจากที่สูงเหมือนกันถ้าตกจากที่สูงแล้วสงบเย็นสบายมีความสุขก็เป็นความสงบถ้า คืออาการที่เล่ามานี้เป็นอาการที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จิตสงบก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้คำถามจากคุณนาวินค่ะเวลาภาวนาแล้วจิตชอบกลุ้มกลุมเคลิ้มเคลิมเหมือนมีโมหะแฝงอยู่ควรแก้ไขยังไงดีครับเพราะเราไม่มีสติเลยเราไม่พุโทโธต้องขยันพุโทโธพุโทโธไปอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งดูลมแล้วเกิดอาการอย่างนี้แสดงว่าสติเราอ่อน